พระธรรมเทศนาของพ่านหลวงตาหลวงปู่พีนาโยต่อรักษาอะไรไว้ไม่ได้รักษาใจไว้เป็นพอปิดปิดอาจารย์ค่ะปิดตาเนาะขอนอกเครื่องไม่ใช่ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมโดยตรงนะคะเหมือนกับว่าถ้าเราจะไปไป ไปทำมาค้าขายข้างนอกอ่ะคะ่ะเหมือนเราไปไ ป, ไปติดต่อการงานเนี้ยเหมือนว่าทุกอย่างมันเหมือนจะสําเร็จแล้วนะคะแล้วทาไมมันมันติดแช่งนักถึงกับมันเป็นเพรการปฏิบัติเราด้วยไหมเป็นชาติที่ได้ได้เหมือนเหมืนมอนหลวงพ่อพูดไหมคะเออมันมีผลไหมคะคนเราเนี่ยมันอกจากที่ผ่านมาเนี่ย เราทำทั um, mm. ้งบุญตั้งบาปมันจะแยกมากมายไย่กองที่เราเนี่ยเกิดมาแต่ละคนเนี่ยเมื่อเกิดมาเป็นภพชาติในปัจจุบันเนี่ยจึงได้ดีมีมีสุขมีความประสบความสําเร็จไม่เหมือนกันในทางโลกและในทางธรรมแม้ได้ประสบสําเร็จในทางธรรมเหมือนกันได้ดีมีสุขหรือประสบสำเร็จคนทุกในทางธรรมเนี่ยไม่เท่ากันกับเพราะว่าเราเนี่ย สร้างบุญสร้างบาปมาไม่เท่ากันบุญบาปนี้เทานั้นแหละเป็นตัวที่ส่งผลดันั้นคนที่ได้ดีประสบด้วยในทางโลกมากๆจะส า, า, ามัญดาจักเป็นความร่ํารวยเป็นหาเศรษฐีมียอะส า, ามัดาจักมีค่าชาติบริวารมากไปที่ไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนรักใคร่ตกน้ำไหลไหลทั่วไปไม่ไหม้เปงที่ยากไม่ยากเป็นที่ลําบากไม่ลาบากที่จนไม่จนมีคนคอยช่วยเหลือหมด ชีวิตไม่ดีไม่มีประสบปุ๋ยเหตุในไทยใด้เลยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนจนสินอายุขัยก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเปียนมากมายอะไรตายไปร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่อายุก็ยังยืนในขณะที่ยืนก็ยังแข็งแรงอยู่เลยตอนตายไปก็ยังเดินได้พอเลยกว่าจะตายก็ยังเดินได้พอจนตั้งยุยืนกยังเดินได้อยู่ไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อพวกเหล่านี้คือสร้างบุญบุศสไม่เยอะสร้างบุญอะไรล่ะที่ถึงได้อายุยืนร่างกาย แข็งแรงไม่ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเปียนเปลียนไม่เกิดบัตรเหตุเพศภัยทําให้ตาบอดหรือหน้าแกนขาขาดเขาจะอง์อ่ะได้ร่วมรู้เป็นสัพพัญญูไม่มีอะไรที่พระองค์จะไม่รู้เป็นสัพพัญญูได้ร่รู้หมดตราบเท่าพระองค์อะอย่างแรกระลึกชาไปได้ของตนเองและของผู้อื่นได้มีที่สุดได้คือได้มีที่สุดสุ ด, ส ด, สดลึกได้งหมดอยางที่สองสา ม, มารถรู้เหตุแห่งบุญและบาปกรรมดีและกรรมชั่วของสสัตว์ทั้งหลายที่ส่งผลให สับปสับปะต่างหลายท่านมนุษย์และสับปสับปะต่างหลายที่เรียนร่ายใจเกิดที่ะสบกับเด็กในทางโลกและในทางธรรมที่แตกต่างกันมีความสุข์ยากลาบากที่แตกต่างกันเนี่ยในทางโลกเพราะมันมาจากเนี่ยปุรและบาปและกรรมดีกรรมชั่วที่ทํไาไปไม่มีอยางอื่นเลยมิจตบุญกระบาบที่ทําไปเพราอะไรเล่าที่ทาให้อาอยุยืน ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเดือดเดือดไม่เกิดอุบัติเหตุเพ็นไฟที่ใจรับอันตรายเสีกระสันแขนขาขาตาบอดหูหนวกเพราะว่าไม่เคยได้เดียดเบียนชีวิตอื่นสัตว์อื่นเลยเป็นคนมีเมตตาเป็นพื้นคนที่เมตตาเป็นพื้นสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่ง้ามหันไม่ฆ่าเขามีความเมตตาเขามากเลยแม้แต่มดบวกก็ยังไม่ไฆ่าเขาไม่ทำร้ายเขาก็ ไม่คิดจะเบียดเบียนเขาเพราะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไปเกิดเราจะต้องไปขออาศัยเขาก็ะน้ที่หลวงปู่อ่ำธรรมกาโมจำหน้าเออเราฟังนบอกว่าในสมัยกุฎิการเนี่ยสีพระองค์หนึ่งลำบากยากเก่นมากเลยเพราะว่าในชาติก่อนๆท่านเป็นกุฏิหนีทีเหนียวท่าน ล, ลำบากยากเก่นมากยากแกนมากบิดบานก็ไม่ค่อยได้ข้าว ปัจจัยสี่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนึ่งอบอยากรักษาโลกก็ไม่ได้ไม่เหมือนคนอ่ น, บบนเขาอยู่เ้าอยู่สบายเขามีคนที่คอยมีคนนับถือเยอะมีบริวารเยอะอเพราะอะไรวะเพราะว่ า, วานี่แหี่ยให้ความสนิทจีเนียวมันแตกต่างกันดังนั้นท่านเนี่ยมีความสนิทจีเนียวมากก็เลยเกิดมาในตอนเน้นตหายพุทธองค์เนี่ยมีความทุกข์ยากลำบากเขเลยบังเอิญท่านทําข้าวห แล้วมดเนี่ยมันขนไปกินกันในหลังให้ลูกคนกินให้ครอบครัวกินทั้งหมดในหลังในบริวารทั้งหมดแต่า น, า น, น, ก, น, ก, น, นก็เลยให้เก็บทั้งหมดก็เลยให้ทานมันไปข้าวเม็ดเดียวเนี่ยจะอืเก็บหมดแล้วเม็ดเดียวเก็บหมดวันนี้ไปเห็นมดมันขนอยู่ก็เลยไม่เก็บให้ทานมันนให้ทานไปแต่ในขนไปแล้วให้ทานไปพระองคบอกว่ามดนั่นเนี่ยไปเกิดเป็นคนอยู่ในเมืองที่ชายแดนเนี่ย ท่านเคยให้ทานเขาไปที่อุตสหผลญากรรมบากแสจันอยู่ในเรือนนี้ที่มดไปเกิดนคนนแล้วเขาจะได้เยืนดูท่านสิ่งนึงเห็นไหมว่าเราไปทำร้ายต่อเล็กกัดน้อยเนี่ย เ, เราอ่ะจะจะพบเจ้าใดพบเจ้าหนึ่งอาจจะไต้องพุ่งพ า, าใส่เขาังนั้นคนที่ไม่ที่มีแต่ความเมตตามไม่เบียดเบียนที่ิอื่นสักอื่นหรือว่าตอเล็กตใจหรือว่ากระืุนไม่เบียดเบียนกระืุนให้เปุ๊เตือร้อน เขเกิดมาเขาก็ไม่มีโรคไรไข่เจ็บเดีอดเบียนอะไรเลยร่างกายแข็งแรงปกติภาพดีมากเลยแล้วก็อายุยืนยู่ยืนมากแล้วคนที่ไม่เวลาคนที่มีใจดีอย่างเงี้ยเมตตาอารีของพวกเบื้องเบื้องแนนหกก็มีบริวารมากไม่อิจฉาลิสยาใครไม่กันแกล้งใครก็เกิดมาออกม็าไมมีใครออก็มากันแกล้งอิจฉาริสยาเวลาทํา ค, ความดีก็ ได้ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่เห็นก็ได้ดีเจริญสูงขึ้นไปไม่ไม่ถูกขโมยซีนขโมยซีนก็จะเป็ขโมยซีนถูกขโมยซีนความดีก็ถูกแย่ความดีถึงว่าเสนอเจ้านายตัวเองก็ไม่ได้ดีที่สุดเพราะถูกขโมยซีนไปหมดรือถูกก็แยกความดีความชอบไปหมดทําอะไรก็เอพราะบาปกรรมที่ตัวเองอะชอบกันแกล้งเขาปิดจาริยากคนอื่นผลในกรรมในตบในแก่ตัว แล้วคนที่ไโอ้อมอารีในเมตตาเพื่อเพืเ่อแผลเล ย, เร ย, เร ย, เรยบริวารก็เลยมีไปไหนก็เลยมีบริวารลําบากอยู่นน่แน่ทานเนี่ยก็ไม่ได้ทําที่ออกเรียกใจให้ทานก็อธิษฐานขอสักเอาเอาเงินใส่กองหน่อยขอให้ปุ๋ยให้ร่ํารวยขอให้ธุรกิ จ, จเจริญขอให้ เลื่อนเลื่อนเลื่อนตำแหน่งขอนี่เสร็จแล้วก็ขอให้ลูกหลานขอให้สามีภรรยาขอขอขอขอมันเอาไปแลกเปลี่ยนค่าอะไรเกินควรใส่ซองไปแค่เนี้ยขอที่เป็นรางวัลที่หนึ่งเลยค้ากไาไรเกินควรทําไปแลกไม่ได้อะไรไม่ได้บุญกุศลอะไรเพราะว่าเป็นการแลกเปลี่ยนมันก็เลยไม่ได้บุญกุศลอะไรมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นการทําให้ทานเนี่ยคือให้น้ําใจนะเป็นผู้มีน้ําใจต่อผู้อื่นโดยที่ไม่หวงังสิ่งตอบแทนเป็นแบบว่าให้เปล่าแบบบันเว กระจายไม่ให้ป่าแบบวันเวอโดยไม่หวังจิงตสอบแทนอะไรเป็นคนมีพื้นฐานนิสัยแบบนี้ตั้งแต่เด็กมาเลยคือให้เป่าแบบวันเวอไม่ไม่ได้หวังจิดตสอบแทนอะไรคือให้แล้วก็ช่วยชอบช่วยเหลือก็คือให้ป่าแบบวันเวยแล้วไมไ่หวั ง, งติบบดตสอบแทนจากใครเลยไอ้นั้นเวลาเนี่ยนะผล ข, ของการให้ทานเนี่ยท่านตอนตายติดใจไม่ส้อมอง แล้วก็บาปกรรมไม่ได้ทําชอบทาบุญให้ทานที่ชาวบ้านเรียกว่าทำบุญให้ทานแล้วก็ตอนตายก็จิตใจไม่เศร้าหมองนะไม่ไม่เศ้าหมองแล้วก็ไม่ไม่ได้ทําบาปกรรมอะไรแต่ชอบทำบุญให้ทานบาปกรรมก็ไม่ทําตอนตายก็จิตใจไม่เศร้าหมองพวกที่ทําให้ทานไปแล้วชอบขอขอขอข อ, ขอทิศฐานขอนไปเกิดสวรรค์ชั้นต่ําููกถ้าพวกที่ขอน้อยหน่อยแทบไม่ขอเลยกับไปอื่ชั้น ลำดับจะไปอันที่สองอันที่สามแต่พวกที่ไม่ขออะไรเลยให้เป่าแบบวันเวนั้นความะถึงสูงมากมันแตกต่าง ก, กันตรงนี้เนีะยขณะไปสวรรค์นเนีแตกต่าง ก, กันเลยมันก็แตกต่าง ก, กับวนขอกับไม่ขอเนี่แหละแั้นทำต้องร้อยล้านโอ้โหแตขอสั้นแสนล้านหมื่นล้านมันก็แตกต่าง ก, กันมากกับคนที่ไม่มียอยากิสนิทคนแก่แส น, นสาหัสและสมัยวุฒิการหัวกับเมียนมีผภาค มีผ้านุ่ปออกไปนอกบ้านเพื่อนเดียวหัวกกับเนียมีผา้ารูปออกมออกไปนอกบ้านเพื่อนเดียวจิตุเจียใาายากก็หนักหัวก็มีมีผ้ารูอปออกมออกมานอกบ้านเพือนเดียวแล้วก็สลับกันออกไปนอกบ้านกต่ละวันวันหนึ่งพระเจ้ามาแสดงธรรมไปใกล้บ้านคิวของวันนี้สามีได้ผ้าเข า, าลงโกรรบันไดผ้านุ่ปออกไปฟังธรรม ฟังธรรมุนิเจ้าลึกตึ้นมากเลยตึ้งมากฟังธรรมุเจ้าลึกตึ้งมากเลยเจอเนี่เราจะนีที่เหนียวมาเราจะยากโดนต้นแขนแต่สาหัสเนี่ยเพราะการอันนี้เองพรเจ้าสอนเนี่ยเทศเนี่ยพระเจ้ารู้หมดเลยเราที่เองอยากโดนต้นแขนแต่สาหัสของตัตงเียนผมว่านี่เรานี่เองมันมีต้นนีทีเียว เลยแม้แต่ทำบุญอยากก็จะทนมุญทีเจ้ายังยังไม่มเดียวจะทําเลยมีผ้าเืียเดียวคนอื่นก็ก็พอนั่นแต่เขาก็ไปถวายถวายกับบูตเจ้าและฟาลอาหารสาวจำนวนมากเขก็มีของมาถวายนะเองไม่มีอะไรถวายตัดสินใจอ่ะก่อไปเกี่ยวเองอ่ะไปซักผ้ากลับมาไปซักผ้าแล้ววันนั้นไปเอาผ้ามาถวายบูตเจ้าไม่มีอะไรแลนะมีผ้าเพียงเดียวแต่ก่อนเดินไปถึงบูตเจ้าไม่ถึงเลยแล้วตัวเองกับเมียจะเอา เอาอะไรออกไปนอกบ้านกุสานะไปนุ่งเปลือกไม้มาแล้วก็เจะผ้าอันนั้นนะซักอย่างดีเอรักนี้อย่างดีจะเอาไปถวายพุทธเจ้ากุสานุ่งเปลือกไม้มาแทนนะเดินไปถึงบูธเจ้าไฟไม่ถึงหรอกคือเดินไปถึงทีง่วางผ้าแล้วเนี่ยวางผ้าไม่ได้ท้องี่เองก็ต้องไหทานนะ่ะ ที่ก็ละไวาสักระธานตัวเองอะจะไปวางบ้างในนี้อะไรเลยจะา้าที่สักมันยังมีแล้วเนี่ยจะไปวางนึกถึงว่ามีอะไรจะไปไหนออกจากบ้านก็ตัวเองเองกอนที่ก็นุ่งเปลือกไม้มาก็เลยกลับมาอีกเพราะมันยากจนคุ้นแขนแสสะหาัดเป็นแบบเนี้ยเรามันก็อิจยดีเนี่ยในในต้องหั ว, ต, วต้องมีต้องมายากจนคุ้นแขนแสสะเนี่ยเดินอีก เราถึงเ น, นี่ยตรงที่เขาถวายพระคาถาเนี่ยเลกอีกเ อ, เอาที่ไหนออกนอกบ้านเนี่ยตัดใจอยู่อย่างนี้ไม่รู้กี่รอบครั้งสุดท้ายตัดสินใจเป็นยังไงเป็นกันเรานี่มันจะยากจนขึ้นแก่แต่ขนัดไปงี้อีกบเลยที่พวกกีชา ต, ตัดสินใจวางลาเลยแค่นั้นเนี่ยโอ้โหเทพเจ้าววดา โลกกระแกเกไปหมดเลยทโลกรกสะเือไปหมเสด็จวดาโมศนาสาธุการไม่คือจะจำในจิตในสุกตระีายในสุกตระการมากเลยในที่ในทุกตาเราชนะแล้วเราชนะแล้วเราชนะแล้วเราชนะแล้วตะโกนเวกโเวกเวกจะาะเจ้าเราชนะแล้วเราชนะแล้วตะโกนลั่นเลยเราชนะแล้วเราชนะ ถวายผ้านุ่มคือเดียเราชนะแล้วตะโกนลั่นๆเลยเขาบอกอะไรนัคือกรประจิตพระราชารพราชาพระราจาสีมาสีเลยพระราชามาอย่นนั้นด้วยแล้วก็โผ่าหมายมาัคำพุทธเจ้าเอ้ให้อาหมาไปถามดิให้ตะโกนโอเว่โอเว่ยเราชนะแล้วชนะแล้วอะไรเนี่ยให้เอาตัวมาถามดิโอ้โหได้ความจริงพราชาเลยขอบผ้าไปให้อีกขอบค่าให้ยกเลยโอ้โห เจ้านี้สุดยอดเลยเนี่ยสุดยอดโอ้โหทำได้ยากที่สุดนี่นี่นึนซึ้นแบบว่าอัศจรรย์ไปหมดเลยตะเกียร์เดือนล่ามไปหมดแล้วโลกกาะพริบเทพเทวดาตุกรูปการนี่ขนาดมาหาเศรษฐีพระราชาทํำตั้งมากมายให่กองยังไม่อัศจรรย์ยังไม่ตะเกียร์เลยนี่ก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าขออนุโมทนาบุญขออนุโมทนาบุญได้อนุโมทนาบุญมาแล้วได้ผ้ามาเต็มเลย เรได้ภาพมาโอ้โหเพราะเรานี่เนี่ยรักความสน่ห์ี่เหนียวยอมสละลผ้าที่เรามีผืนเดียวเนี่ยออกไฟถวายแก่พระเจ้าและพระอาจารสาวกเนี่ยมันจึงได้รับรางวัลมามากมายอย่างเนี้ยแล้วเพราะความดีนี่เองเนี่ยที่เราทําเนี่ยมันจึงได้รับ มาท่ันตาเห็นเพราะฉะนั้นเน่ะเราไม่กลัวจับข้านนี้ไวเขาจะไหวหมดเลยเขาจะใหวหมดเลยไถวายอีกถวายหมดเลยโอ้โหพระราชาบอกจ้านี่มันยอดจริงๆเอามาให้อีกตนก็ให้อีกมากกว่าเดิมอีกคนไม่ให้อีกให้อีกก็ไปถวายหมดอีกให้อีกก็ถวายหมดอีกจนต้องขอร้องขอร้องให้เอาไว้ใช้บ้านจริงยอม ทุกตักเลยบุญกุศลไม่ยิ่งนหา่บุญกุมากขนาดนี้เนี่ยทึ่บอกว่าให้ทานไม่ต้องาโอ้ยให้เงินได้ทองเลยมากมายอย่างเดียวที่เขาเขาหลอกว่าอะไรให้ตอนนู้น่านี้กี่ล้านกี่กี่ล้านกี่ร้อยล้านจะเป็นโสดาบานสกทาคาวีนาคาวีจะได้ไปสวรัส่ะให้ต้องให้ทานได้เยอะให้จำนวนเท่านั้นร้านเท่านี้ร้านแล้วเขาหลอกต้มคือเนี่ยในทุกตาก็ได้ให้แค่ภาพหนึ่งเดียวแต่ สิที่ทำได้ยากยด้วยสงเรอเอะเนี่ยเอาเลยลำรวยเกิดมาก็เป็นมหาเศรษฐีทุกชาติลำรวยลำรวยไปเป็นเป็นใหญ่ในสวรรค์เวลาไปในสวรรค์ก็เป็นใหญ่หมดเนี่ยตรงนี้น้ำขุ่ให้ขนานเวลาไปในสวรรค์ก็เป็นใหญ่เรามาเกิดในโลกมนุษย์ก็เป็นหมาจักรพรรดิเป็นหมาเศรษฐีหลายชาติและที่ตัวตนนี้ก็เป็นลูกอานไปลูกหลานไปหมวันนี้มาเป็นที่ที่ยถามนนี้ส่วนบาปกรรมละ นส่วนแบบในส่วนบุญนะส่วนบุญพูดถึงในส่วนบุุสนบุคคลเนี่ยไม่ทด้ทบุคคลแบบเนี้เวลาทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยทั้งไม่า่าสัตว์แต่ยึดในเบียดเบียนยึดอื่นสัตว์อื่นทั้งเป็นคนเมตตากรุณาอบอ้อมอารีเอื้อเฟือเผื่อแผ่ไม่อิจาหรือสียใจไม่ต้องหนีสินพาว่าร้ายใครเนี่ยตรงนี้ผู้หญิงทาได้ยากนะชอบทุศิษย์ทุิ์สินพาคนอื่นเนี่ยทได้ยากแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีแล้วก็ทำามใหทาน ใจของตัวเองไม่ปานธนาสิ่งตอแทนทําสิ่งใดก็ใทยมีน้ําใจช่วยเหลือสิ่งที่ยากยากวเองก็ช่วยแล้วก็ทำได้มันก็เลยตายแล้วจับพบนั้นก็ไปสวรรค์จากสวรรค์มาแลมาเกิดเป็นในโลกเมื่อใดที่ตายจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ร่ํารวยเป็นหมาเศรษฐีเป็นมหานมหาชักรพัดและที่สุดเป็นอย่างนี้หลายชาติจนกระทั่งรู้อาหารหันตไปที่คนที่บาปกรรมก็คือทําไว้ก็ข้ามกิจเนี่ยแหะ ชอบเบียดเบยนชีวิอื่นค่ะตัดตัดชีวิตทําให้อายุสั้นตายแล้วก็ไปตกมาลงน้ำแสนนานแล้วก็ค่อยเลื่อนพุ่งขึ้นมาจากกนกระทั่งมาเป็นเป็นปนรกขุมที่ตื้นๆจนมาเรื่อยๆจกกนกระทั่งตายจากต้อตอนจากนรกแล้วมาเป็นสัตว์ในฉัให้กค้าอีกมากมายแต่มากมายนานัาการให้คนเกลนมาัาเจไปิงตายให้เขาเชือดคอเป็นหมูให้เขแทงคอตายเป็นวายวกไ ว, วายกคฆ่าตายหลายชาติมันก็มาจากบทของกรรมนี่เนี่ยที่ทําไปแล้วก็พวกที่จบ่ย ชอบให้รายผู้อื่นชอบขโมยทีนผู้อื่นชอบให้ร้ายชอบก็หนีตินเตือนชอบทำร้ายผู้อื่นรับหลังทำร้ายผู้อื่นเนี่ยตอนแล้วพอเราเกิดมากรถูุกเขาให้ร้าคุณให้ร้าแล้วเราก็ทําอะไรก็ดีๆนคะแล้วเราเนี่ยเคยให้ขัดขวางข้อตกลงการใดกันแกงก็เป็นประการใดงตางก็ทําอะไรก็ดีกันคะ หรือว่ามีเ the right? ี่ยวกันในเรืนที่เรามองเห็นคือว่าที่เราทําเอาไว้เี่ยวกันในเรมันมีน้ําหนักที่เกิดําเป็นคนที่เจอคู่กันกันแม้แต่สามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเนี่ยก็มีน้ำขู่คู่คู่บาวคูุ่คู่บามาเจอกัน่ามาเจอกันแล้วก็ดีดีต่อกันเราไม่เรามีความสุขความเจริญนะโอ้นั่นก็คือเขาอะเป็นนี่เรามาใช้นี่เรา เขเป็นหนี <t aker> <S <S ้เรานะ่ยเขาเลยมาใช้หนี้เราทําให้เราไม่สบายแต่ถ้ามันมาเจอกันเพว่าเราเคยเป็นหนี้เขาเนี่ยเราทุกอยางลำบากก็มาเกิดกับเราเราเป็นตัวหนี้เราตายหมดจนหมดเรื่องว่าตัวเนี่ยเพราะเราเคยทากรรมไว้เราได้รับผลองเงี้ยก็ทําอะไรไปขายขายมันจะได้มันไม่ได้มันหลุดรอดไปหมดตดีต่อธุรกิจมันจะได้ไม่ได้ก็หลุดรอดไปหมดเพราะผมว่ากลรมที่ที่เราทำเอาไว้ดีก็เราก็ไม่รู้ตัวลุตีไปกันแก้งปัดแกงปัดขาไปเลย แต่นในพิชชาตมันจะถึงพิชชาตนี่ห น, นัแต่เราก็ให้อภัยไม่เปแล้วแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วแล้วไปเรืให้อภัยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเราก็ทำความดีอ่ให้มีน้ําใจผู้อื่นให้ทานไม่ได้ว่ามันจะต้องให้เงินนแค่อะไรมากมายคือให้ฐานด้วยน้ําใจอะไรก็ได้ขอให้ให้ทานด้วยน้ำใจให้มันเหมาะสมกับให้มันเหมาะสมกับทิ่คุณควรแก่ผู้แก่แกตัวเราและผู้ที่รัา โดยที่ไม่หวังผ <inter Hob ins> ิดตอบแทนแล้วก็ทำความดีเพื่อเดนเนี้ยในสุต่างทำความดีไปแล้วก็ละบาปนะสัพพะปาปัสะกาลังการไม่ทำบาปกรรมทางกายวาจาใจทั้งหัวคือในแผ่เนี้สิ่งให้มีดนมีอพิฐานว่าบาปกรรมสัวอะไรทางกายวาจาใจที่เราทามาแล้วทุกภพทุกชาติจนถึงในชากนี้พระพเจ้าจะม่ผิดนะเสียใจที่เปลี่ยนผิดที่ทมา นับแต่นี้เป็นต้นไปข้ า, าพเจ้าจะลำบากคำช่วต้องกายความด่างใจจะไม่ขอ ท, ท่องผิดผิดความผิดลไปดังนั้นคำใหญ่ๆต้ไม่ทําอีกแล้วผิดแล้วผิดแล้วต้องจบแล้วอาจจะมีผิดพลาดเล็กๆน้อยๆบ้างอะไรเงี้ยผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ยเราก็ต้องเออขอขอมาขอขอมาต่อฟ้าดินคือขอขอมาต่อประกาศกให้ฟ้าดินว่าคือให้พุตรเจ้ า, ากระทำพยาธิสม คือเป wind o, ็นาราคุบาอาจารย์เทพเดียวการู้เรื่องว่าเอาเราพลาดอีกแล้วมาอ่านนิทานมาแล้วคนจะไม่ทำบาปกรรมอีกแล้ว่านอีกแล้วขอโทษขอโทษบีมันอยู่มังกรนั่นเองว่าแหมจะไปแก้ฝัดแรงแรงมาไม่ตายโอ้ยขอโทษขอโทษทาไปแบบนี้สารมาแล้วจะไม่ทาตายอีกเลเนี่ยทำได้ไม่ได้ตั้งใจฝากเปียกอะไรก็ม่ก่อนที่ผมปั๊บเลย ตก็แค่ปัดแต่ปัดไม่มันกัดเจ็บป้าและปัดแรงเมื่อน่อยเดิตายอย่างนี้เเลยขอโทษขอโทษขอโทษจริงๆแตาไม่ทำาล้วอย่างเงี้ยขอโทษบางทีเป็นร้อยๆครั้งอ่ะแล้วก็พยายามสุดดความสามารถที่จะไม่ทำบาปกรรมอีกเลยจ้กระตั้งมันไม่ทำอีกเลยไม่ว่ามันบวกไปว่าแมลงตัวเล็กตัวน้อยแม้ดึงอไหน่ก็ไม่ไม่ทํ่ทำให้มันตายเลยครือไม่ได้ทำให้มันตายโดยไปเนแหวะทุกทีมันบางทีเอาจะไปเอาไปออกไปสั่ห้องไปจับเข้า เอ้าตายซะแล้วไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้คิดจะปักแรงอะแนี่คือเขาจับเราเอาแรงเอาแรงมืงกองเรามตายซะแล้วนี่ไม่มีเจตนานเลยเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจปักแรงเลยเน้นแน่คนหนึ่งเนี่ยสัพพาปัสสาการนังการไม่ทาบาปการเสืเ่อมทางกายวาจาใจไม่ดีศีลที่ ท, ทําอีกต่อไปไอ้ที่ทําไปแล้วมันสมมติมเสียใจเอาแล้วขอแล้วพอกนะ ว, วไอ้ไอ้ดีบาปกรรมที่ทํา ม, มาก็ใช้ไม่หมดแล้ว ไอยันต้องมาทำมาทำใหม่อีกจะต้องมารับหนี้บาปกรรมใหม่อีกไม่ไหวแล้วมันมากเกินไปแล้วไม่เอาแล้วเลิกสักทีพอแล้วทุกวันนี้ก็วุ่นวายบ้านแตกก็แหลกขาดวุ่นวายต้องมาพักผาจากการวุ่นวายต้อสูกกันแกล้งวุ่นวายกับความทุกข์ยากลำบากธุรกิจอะไรต่างเนี่ยไม่ราับลืมใกล้เพรานี้เนี่ยบาปกรรมที่ทําอนี้เนี่ยไม่เอาแล้วเลิกเลิกเลิกนำหนี้ที่เ ป, ปะะ็นตนะ้นไปเนี่ยสารัตรภาษากรบนางการไม่ทาบาปกรรมด้วยาาสังกายวิญญาใจทั้งพวงไม่สิสิทธิ์ที่ทำนะ ถ้าทํามาแล้วก็นึกขอเข้ามาต้องมาบุญประทาประสงค์ลและผู้ที่เราร่วมเลิเนี่ยแล้วก็ข้อสองอุตตรสุภสมปทานอุตตรสุภสมปทานอุตตรสุภสัมสสปทานการทําบุญส่ได้ถึงพรเนี่ยคือระบาปแล้วออไปก็เนี่ยทําความดีทําความดีทางกายกวาจาใจทําบรรจงที่สุดแหล่งความดีทางกายกวาจาใจ เอยวไปทําบาปกรรมแล้วก็ก็เป็นบุญตัวแล้วล่ะพอละบาปุ๊ก็เป็นบุญเลยล่ะและ้วก็ที่เราก็ทําความดีขึ้นไปทานสีนสมาธิสติปัญญาเนี่ยเร่งทำทเข้าเร่งทำเข้าฐานสีนส ม, มาธิสติปัญญาเร่งทำเข้าบารมีจิตนี่บารมีจิตนี่เร่งตามครับนั่นแหละมันเกิดมามาันก็จาโอ้โหนิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ธรรมชาติแต่ก็ต้องปฏิบัติเรีย ะสุจริตตัวตประทาการทำคุณตัวให้สิส้นพ้อของกายวาจาใจก็สามสกิจสระประโยชน์เท่าปดังการชำระจิ ต, ตอ ข, ของตนให้สะอาดโดยสุดการชำระจิตใจของตนให้สะอาดโดยสุดจากกิเลสและเข้าเครื่องเข้าหมอนถ้าใจิตใจมันจะตกมันจะเข้าหมอนต้องรีบขัดฉาคมันมอย่างรวดเร็วอย่าปล่อยให้มันค้างในใจได้เพราะจิตมันจะตกนะมันจะตกแล้วหรือมันตกไปแล้วต้องขัดชาบความรู้งสุดโตขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ถ้ามันออกไปจากใจเราให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้อย่าปล่อยมันข้างในใจเรานั้นถ้าจิตตกมันเศร้าหมองด้วยเหตุใดก็ตามเนี่ยเราต้องกําจัดมันออกไปเสะมันออกไปอย่างรวดเร็วเลยอย่าให้มันทําในใจเราได้ด้วยวิธีใดก็ได้แต่วิธีนั้นจะต้องไม่ทาให้ตัวเองเนี่ยปดเป็นทุกเสืุดร้อนแล้วไม่เป็นจิตเดือดกับอื่นทุกข์สุ ด, ดร้อนข้อสามนี้ก็ยิ่งใหญ่มากเลยเพราะอะไรถ้าใจเศร้าหมองนาน จนจิดดำคล้าในหมดหักสีจิตดำคล้ำในหมนหดจิตใจเศร้าหมองนานแม้แต่ธุรกิจก็ล่มละลายได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นในคนเะนี่ยถูกย้ายได้ถูกย้ายได้เลยอ่ะถูกย้ายถูกเล่งได้เลยมีเรื่องมีปัญหาแน่นอนถ้าปล่อยให้มันค้านดำคล้ำในิตใจแม้ธุรกิจนี่ก็ถ้าปล่อยมันค้านานานๆนนะ่ะจิตมันด ำ, ด, ำดําสีเลยไม่จางธุรกิจก็แย่ แล้วก็ครอบครัวก็จะมีปัญหาตามมาธุรกิจก็มีปัญหาหน้าที่การงานก็มีปัญหามีปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายเลยจิตเนี่ยจิตใจของตัวเองนั้นสําคัญที่สุดเลยเนี่ยใจของตัวเองต้องรักษาไว้ดีถ้ามันเนี่ยตกหรือมันเศร้าหมองเนี่ยมันไปค้างไว้นานมันจะดำลงไปดำลงไปเลยจิตลังสีจิตออกมาดำเป็นดำดำคลั้มเลยแล้วตอนเนี้ย มันเริ่มทุกอย่างฮนะเริ่มเสียหายหมดเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวรดูแาจิตหน้าที่ ก, กา ร, ารงานตำแหน่งราภยตดสงสารเนี่ยเสียหายหมดค่อยๆเสียหายแต่ถ้าเร า, เาคืนมาได้ริบรักษาจิตใจให้อาขึ้นมาให้ได้แก้มันอย่างรวดเร็วต้องแก้มันอย่างรวดเร็วจะปล่อยให้ให้จิตตกเข้าหมองนาอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นอย่ามาค้างไว้นในใจ จิตมันก็จะผ่องใสมันก็จะกลับมาดีขึ้นได้ ท, ทันทีนรักษาไปได้ฤรธิเจ้าออหรือว่าอะไรนะพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าฤทธิะเจ้าเนี่ยว่าถ้ารักษาใจได้เนี่ยมันจะรักษาไปได้ถ้ารักษาใจได้ก็จะรักษาใจไปได้ถ้ารักษาใจไม่ได้ไ ม, ไดมันเสียหายหมดเลยเพราะว่าพระองค์ได้กลัาไว้ว่ า, วาใจเนี่ยเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้า สำเร็จแล้วเดือดใจถ้าใจเสียหายเสียหายหมดนะถ้าใจอ่ะเสียหายเสียหายหมดถ้ารักษาใจไปได้จะรักษาอย่างอ่ได้แต่ถ้ารักษาสภาพใจไว้ไม่ได้ให้มันเกิดความเสียหายยาคูณเสียหายสุขภาพก็เสียหายนะโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนแล้วที่สุดมงนก็กินเราได้เหมืมนแต่มมเร็งก็กินเราได้แต่ถ้าเรารักษาสภาพใจเราไว้ได้ แม้แต่มะเร็งกีนเราไม่ได้อยู่กับมันจนแก่เท่าแล้วก็ตายเขาอันเนี้เราสอนมาเกือบยี่สิบปีเราเห็นยุติเราเห็นพวกญาติพ้องของเราก็อแม่ยาติพี่น้องที่เราเชื่อมั่นในคําสอนของเจ้านี่สุดๆุดหัวใจเราเลยคือเนี่ยสรรพาตราต่างๆการนาการให้ทำบัตรกรรมช่วยทางกายว่าใจมิจิติที่ทาำกายว่าใจกระโโตที่ทําผิดไปแล้วก็ต้องกิดครับก็ ว่าแต่ไม่ทอีกตั้งทไปเลยเล็กน้อยขอมาไม่าำอีกตัวท่านดีจนถึงที่สุดบาปกรรมร้ายจะถึงที่สุดก็อสองคุณตะเลาสู้บสัมปทานการทํทำคุณตัวได้ถึงพร้อมทานศีลภาวนาเนี่ยคือให้แบบฟันเดเป็นผู้มีน้ำใจคนอื่นไม่ได้หมายถึงไปกุ้มเงนทุกทอจนหมดเมื่อหมดตัวแล้วมาตะเลาะกันบอกรวงกันในครอบครัวของภรรยาไปไปออกรถให้จาจะแล้วแล้วออกบัตรเครดิตให้แล้วัวเก็่อนบัตรเครดิต เนี่ยกลับมาประเตกกันมาซ้อมกันก็โผ่แตกแยกก็ก็สามเนี่ยปริตดัพยนพวังการชำระจิตของคนใน้ารอาดโดยุดอันเนี่ยทำสามข้อเนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เทสังทุพานาสาสนะท่านพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เกิดมาคนละสมัยกันเนี่ยแต่ทำสามข้อนี้สอนตรงกันซึ่งยิ่งใหญ่มากนะคนทั้งหลายเนี่ยไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเจ้ากำมิ ใจนี่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างคนหนึ่งแล้วที่ใจถ้าใจเสียหายเนี่ยเสียหายหมดถ้าใจเนี่ยรกัรกษาไม่ได้จะรักษาจิตใจไม่ได้แต่คนทั้งหลายเนี่ยไปรกักษาอย่างอื่นแต่สิ่งสําคัญที่สุดกับไม่รกักษาจิตใจของตันเองคนฉลาดเนี่ยรกักษาใจของตัวเองจนถึงความสามารถ แล้ก็รักษาอย่างอื่นด้วยก็จะรักษาอย่งื่นไปได้แต่คนที่พยายามจะรักษาอย่างอืไม่รักษาใจตัวเองปล่อยให้มันตกให้มันเจ้าหมองนานปล่อยให้มันทุกข์มันเครียดนานผลท้ายจะ่าืเสียหายหมดสุขภาพทุกก็ถูกมะเร็งเอากินไปได้ถูกเชื้อโรคเข้าไปได้สุดท้ายเครียดมากๆจะเป็นโรคประสาทเครียดมากๆจนสติแตกเครียดมากๆจนทั่เสียหายจนจับแกน่างยดท้ายไม่ได้เลย หลายคนฆ่าคนตายพา่านฆ่าคนตายก็เพราะไม่รักษาใจของตัวเองแต่ไปรักษาอย่างอื่นดันั้นถ้าเรารักษาใจได้มันก็จะรักษาอย่างอื่นได้นั้นแหละเป็นจรต้องเชื่อพระเจ้ามีหลายคนถูกย้ายนะบัญชีบัญชีโยกย้ายถูกย้ายเละเป็นข้าราชการถูกย้ายถ้งหลายคนคนทชายมาอยู่กับพิษปฏิบัติ ห้าวันเจ็ดวันต้องวันต้องคืนในหลับไม่นอนเปลี่ยนรักษาใจของเรดีย์ไม่ครบไม่เที่ยงิษานเนี่ยสามข้อเนี่ยรางกายมัเป็นบุญจนก็จะรักษาใจขอเดีนี่มันบัญชีบรรยายไปแล้วมันรู้อยู่แล้วว่าชื่อในบัญชีบรรยายแล้วโดนเด้งโดนเรื่อยขาข้อหีเป็นใหญ่แั้นวเนี่ยใหญ่เดี๋ยวกระทั่งเนี่ยปฏิบัติอยู่ตั้งสามสี่วันแล้วเดี๋ยวก็จะประชุมแล้ววันที่เจ็ดหรือวันที่หกนี่ก็จะประชุมแล้ว จะปล่อยอให้มันดำคำเศร้าหมองเนี่ยเรา ต, ะตะวาดเลยบอกเนี่ยอย่าเข้ามานะถ้าปล่อยจิต ด, ดำคำเนี่ยกลางค่ำกลางคืนเขาไม่ต้องหลับนอนกลางวันเขาไม่ต้องหลับนอนไปทําความเพียรไปทําความรู้สึกตัวให้มีสติสื่อรู้อยู่ในปัจจุบันสติสื่อรู้อยู่ในปัจจุบันอย่าปล่อยมันไหลไปแน่ดีจะเป็นกังวลต่ออนาคตอะไรจะเกิดไม่ต้องเป็นกังวลมันรักษาใจให้ดีอย่างเดียวรักษาใจนี่ได้คือก็บตา ม, มันโอ้ยเกิดแต่ันกระชุนเลย คนนี้ก็ทำโอ้โหไม่รับไ น, น่นอนทั้งวันนั่นคือทํากันเราห้ามเลยโทรศัพท์มือถือได้ปิดหมดเลยห้ามกดโทรศัพท์มลอถือบอกในะเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วจะมีใครก็ทำอย่างมันจามมั้นเนี่ยนีชื่อมันอยู่ในบัญชีโยกย้ายไปแล้วเนี่ยยานั่นจะเข้าในมือเขาแล้วเนี่ยกรรมการอ่ะวันเนี้ยของของบ้านเนี่ยหรือวันเนี้ใ้เข้ามาแกก็ม า, กมามีแต่เข้าไปอยู่หน้าห้องที่ใหญ่นะ เขาวิ่งกันเราพละดวควิดเลยนะดังนั้นอาจารย์ก็ให้ติดโทรศัพท์มือตรีแล้วมาปฏิบัติอยู่ในป่าอย่างนี้ใครจะรู้เนี่ยผู้ใหญ่คนไหนก็จะรู้ว่ามาทําอย่างเนี้ทำความดีเนี่ยเออเองเชื่อข่าอทำความดีเลยนะข้าเชื่อพระเจ้าเลยพระเจ้าทุกองค์สอนไว้ให้ละบาปทำเป็นบุญรักาใจให้ได้ข้าเชื่อพระเจ้าเองเชื่อข้าก็แล้วกันเพราะว่าเองเชื่อข้าพระเจ้าเชื่อพระเจ้าเนี่ยเองละบาปในใจ อภิษาแล้วไม่ถูกสินทิ่งทำกายหวานจใจทำความดีอมุขสมเปรอมีสิ่งตางเขาทานสิ่มภาวนาทำเขาสัตดาจจใจได้อยมุกตกและเศร้ามหมองนั้นเองเติมทำความดุ้สมควนเราตื่รู้ตื่รู้อยู่ในปัจจุบันตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําไรใจอยู่กระสิ่งนั่น ตัวอยู่ไหนจะอยู่นั่นทําะไรใจมนอยู่กบสินั้นเนี่ตัวอยู่ไหนจะอยู่นั่นทําะไรใจมนอยู่กับสินั้นให้มันมีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันตื่รู้อยู่ในจิวิมันตื่นตื่นตื่นตื่นตื่ น, น, นแล้ว็มารู้ตัวอยู่ในปัจจุบันว่าเนี่ยเรากําลังมาเดินอยู่บนทำสองรู้สึกตัวอยู่เนี่ยถ้ามันมีสติตื่นรู้อยูย่ในปัจจุบันประกาศผลออกม า, มาไม่มีใครผุกใจแม้แต่คนเนียวพอเข้าทีประชุ น, นชบัญชี โดวคนนี้ก่อนคนแรกมีคือใหญ่ขานเอ้ยทนไมแกงเด็กแบบนี้เอ้ยนี่เด็กวันนี้เราเคยเห็นนี่เขาไปเด็กดีนะเนี่ยทําไมถูกแกงเนี่ยถ้าให้เขาเตะเขาเต้งบีบเอ็นกาอย่างเงี้ยเขาต้องได้ตาแหน่งที่ที่สูงขึ้นไม่ยอมนะอย่างเงี้ยถ้าใจก็ย้ายไปท้องได้ตาแหน่งสูงขึ้นกว่าที่เขาเป็นอยู่โอโหว่าคนนี้ยกมือคนอื่นเยอะยกมือขายหมดเลยทั้งหลายคน กรรมการผู้ใหญ่ยกมือช้าหมดเลยไม่มีใครจะย้ายแม้แต่คนเดียวนี่เพราะอำนาจแห่งระเ บ, บิดความเพียรบุญรักษาใจนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแท้ที่ใหญ่ถ้าใจเสียหายเสียหายถ้ารักษาใจได้รักษาได้หนึ่งไดเชื่อพระพุทธเจ้า พระเจ้าทุกพระองค์สอนตรงกันในนามห้อนี้ละบาปทำเพียบุญละบาปใจมันก็จะผ่านหมหทั้ทงหมดไปได้มีหลายท่านถูกแปกถูกแบกไปก็มีมีปัญหามาอยู่จะปฏิบัติทำละบา ป, าปบทำเพียบุญอธิษฐานจะท่านใจละบาปทำเพ็ยบุญ ท, ทักษะใจคือครั้ง น, นั้นได้เลื่อน เป็นสิงตําแหน่งดีที่เลือดยากเลื่อนยากจากพันเอกเนี่ยข้ามไปเป็นไปเป็นในคนเนี่ยยากยากมากแต่ถ้าพันเอกพันตีพันโทไปพรนเอกมันง่ายพนตีพันโทไปได้ยากมากแต่นี่จากระดับด้พันใขึ้นเป็นในพลเนี่ยยากแต่ครานั้นเป็นพริยาุจัดคือขึ้นเป็นในพลทีเดียวกล้เป็นแข่งขึ้นเป็นทหารแล้วมีคนทะลุขึ้นไปถึงพันโท คนพวเหล่านี้ยังมีชื่อยู่เลยนอยากเป็นเออคือเออขาตอนนี้เขาอ่านไปดนั้เราสามารถ บ, บอกบอกชื่อได้เป็นอยากเป็นโตคนอยู่ทุกวันประปุษย์ไม่ให้หรอให้ดูเลยจันผมได้อกไปในคนและนี่แค่ผมเลไปในคนและเพราะอะไรเพราะเาทำความดีัฝ่าใจคนนันเองคนะคนแห่มนรบกวนฉันมากมายพอพวกเนี้มันได้ไปเป็นใจนัคนวมนี้ไม่โดนย้ายผมนีไมไ้ได้ได้สอบเป็นพวงศาสอบปริญญการก็ได้เป็นแถวเป็นแนว ้ยตำรวจหนุ hmm. ่มๆในตำรวจสอบงานสอบภาษาสอบอินการสอบไม่ได้หรอกเรื่องดำซขนาดนี้จะไปสอบอะไรได้วะจิตใจดำทำตั้งในเกียรติขนาดนี้จะสอบอะไได้ไม่ได้ผมพ่จะสอบมาจะลงไม่ได้เออไม่ได้แต่เวลาขพี่หน้าก็สอบได้ประกาศคนมาตกปีๆีนึ่งปหาเรา เราก็ว่าเลยปี่ก่อนมาหาเรานี่มันดำคำตั้งแตนในปีนี้สมมมันดําคำอีกวาเนี่ยอาจารย์ที่นี่ผมก็ทุ่อบ ม, า, มาอาจารย์เนี่ยเออ่งอีกประกาศผลว่าตกแต่ไม่เป็นไรเด็กพี่นายก็สอบได้ยิ่งทำอย่างข่า ว, ว่าเนี่ยรับบาปความเป็นบุญบานาญาจาให้ดีนะอย่ามันดําคําเครียดอย่างนี้อย่ามาหาเรานี่อย่ามันดำำนําคําเครียดนี้นะเด็กก็ตอบได้เนี่ยมนก่อนมาหาเราอาจารย์ผมสอบอายการได้แล้วครับเออดีดี ด, ดีเดี๋ยวไม่กวันนัดอีก ผมไปสอบผู้สัตว์เลยได้ได้ผู้สัตว์ด้วยครับเออดีดีดีเอ้ยไม่เนี่ยเลยได้เป็นผู้สัตว์ไปไปในอากานก็เป็นแถวเป็นแนวได้เป็นในตำรวจก็เป็นแถวเป็นแนวเนี่ยคนมาเลยแห่าหาเราเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยใครตอบไม่ได้สักทีไม่อะไรมาหาเราแล้วก็บอกว่าเราจะช่วยตอบได้มันจะร่ำเลยจะผู้ผิดเรบอกไม่ใช่เขาเราเนี่ยเิียงบอกแล้วก็ทําเอง เขาทาอย่างที่ผมพูดจะเจ้าสอนเรื่องโภกระนาดบอกว่าไอ้ที่ไปเลยสอนน้องบอกว่าน้องให้ เ, เชื่อพี่เถ็ะเขียนทำอย่างอาจารย์ที่ว่าเนี่ยมันก็เดินจะโอะจะบจะร็อกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วพี่ ผมก็ไม่เข้าใจผมอยากจะทําความดีอย่างพี่วานแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะทำดีแล้วมันจะได้ดียังไงผมก็ไม่เข้าใจเนี่ยทําดีอย่างนี้แล้วมันจะไปได้ดีงไงกับไอ้สิ่งที่มันมันจะได้ดีเนี่ยมันื่องยศยศตแหน่งผมไม่เข้าใจพีบพี่เชือ่ออาจารย์พี่พี่เห็นประจักมันเยอะแยะหลายคนแล้วที่ทาอย่า ง, งพี่วานระ้อโอ้โหตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ประกาศเลยพอาประกาศแล้วซึ่งโอกาสน้อยมากเลยอะ เกิดกระทันหันเพราะเหตุว่าคนที่มีชื่อไปโกหกเขาบอกว่าตัวเองะมันไม่ได้เลือ่อนยศเลือนตําแหน่งมานานมากครับผู้ใหญ่พวก็เลยปวกสาลเข้าก็ให้นได้พอไปตรวจสอกไปไปเข้าที่ประชุมใหญ่ไอ้คนโกหกคนเลื่อนขึ้นมาเนี่ยพายขึ้นมาเนี่ยเอา้าโอ้โหเลือคนก็นใช่ไอ้พี่คเลื่อนขึ้นมาโอ้โหเขาเลยไปตามที่ประชุมใหญ่ไปเอา คนมาแทนเดี๋ยวนี้เราประชุมโอ้โหเรียกมา่าเอาใครใช่ไหไอ้นี่มโัโอ้โหได้เว้ยจะเอาใครมาแทนยืมมันจับเลยคนที่ท ม, มาพี่หงอผมไม่รู้ว่าทำความดีจะได้ดีไงวเอาไ อ, อไ้นี้เข้าไปอะได้เรื่องตาแหน่งเน้นโดยเรียก่าเน้นวินาทีสุดท้ายเราจะจะบอกว่าทำความดีมันได้ดีจริงเนี่ยแหละได้ ด, ดอีอันนี้ที่เราเนี่ยมันเป็นสุดเด็น มนีรูปตากัดข้อของเราต่ยอมรับสภาพไปแต่เราก็ทําให้ดีทํามดีอู่ดต้องักษาใจให้หน้าใจห้เข้องแล้วเมื่อทำแล้วเนี่ยรับบาปแล้วมันเป็นบุญส่วนแล้วเราก็สามารถาราใจได้แล้วเนี่ยเราก็แผ่เมตตาเพราะว่าเราเราทำได้ใจของเราเป็นบุญส่วนใหญ่เราก็แผ่เมตตาให้เจ้กรรมในเวรไปบ่นดปบ่นบ่อยๆเราผิดพลาดแล้วเรากอเอามาโอให้ดีราแผ่เมตตาให้จกรรในเวรไปขอให้โหอิกรรมให้เร เกิดใคที่ทํากับเราเราก็แนโ่โหดกับทั้งหมดเราคงกับใครก็ขอโหดกับทั้งหมดพอเขาแลกจบกันทีให้เป็นโมฆะทําต่อกันไปเราทําอย่างเนี้แพร่ไปบ่อยไปบ่อยไปบ่อยกิจกรรมในเวรเป็นคอยพอยติดตามจองร้านจอง้าลเราทำมนุษย์เ้าไม่ใช่มนุษย์เราทำมนุษย์ทคอยกี่พอนมั่งคอยตัวผ่านกอดแกงกอดขาเราไปทําให้เราเดินก็ไม่สะดวกไปไหนก็ไม่สะดวกทําอะไรก็ติดกากี่ยมันค่ อ, คอยๆหายไปไหนไปหายไปจนมับางเบานะ แต่อย่างกล า, างไม่ยังคาอยู่จากตามมาเป็นเบาแข็งจากหนักก็มาเป็นมาเป็นจากเบาแต่เราก็ทํำอีกแคลอีกคลอีรับรับบาปราเป็นบุญกุศนเนี่ยแล้วก็รักษาใจได้เนี่ยเราไม่ให้มันต้องบอกต้องบอกพุ๊บประชากมันขึ้นมันดีเลยกระชากความรู้สึกส่วนขึ้นมาใส่เ ข, ข น, น, นออกไปเลยเก็บอิฐเอาเก็บอิฐเอาเลยเออมันออกไปอยู่ในใจคุไม่แน่เต่ม่ออกไปเดี๋ยวยีใจก็ได้เอออย่าไปทำให้คนตนเอเดือดร้อนอย่าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนกัแล้วกัน เออเนี่ยเราส่วนนดีก็ทํามาไอ้ที่คนต้องไม่ดีล้วรเลยแล้วน่ยส่วนส่วนดีก็ทํามาอยู่แต่ไอ้บาปกรรมใหม่ที่ก็าทำเนี่ยยังไม่ได้ให้ผลพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเลยเนี่ยบาปกรรมที่ก็ทําเนี่ยมันจะให้ผลเพราะว่าไอ้ดีเขาเขาทำทำไม่ดีแล้วรวยเอาแล้วหรือเราเห็นว่าเขารวยเขาเขาดีตอนเนี้บาปกรรมยังไม่ให้ผลในส่วนดีไอ้ส่วนที่ส่วนบุญกุศลเนี่ยที่ทํามาเนี่ยมันกำลังให้ผลกันอยู่บาปกรรมยังไลยแทรกไม่ได้เพราะว่าบุญกุศลคุ้มครอง บุญกุศลมันคุ้มครองอยู่เลยบาปกรรมก็จะเจ้าเร่นงานอยู่เนี่ยเจ้าการนเรื่องเจ้าเล่นงานแต่มันเจ้าไม่ได้สักทีเพราะว่าบุญกุศลมันคุ้มครองอยู่คือไอ้ส่วนที่บุญก็สร้างมาไอ้บาปเขาก็ทําแต่บุญยังคุ้มครองอยู่เดี๋ยวได้รอเพราะว่าเขาไม่ได้ทรางบุญกุศลใหม่ไม่ได้รับบาปมาเป็นบุญแล้วก็อาปใจไปได้รอเจ้าการเนี่ยมันท่างขี่ปอมันต้งเกาะแข้งเกาะขาเป็นพวนทั้งหมดเละไม่ใช่บาปเป็นตัวเดียวนะเป็นเร้อยเกินกว่าเนี้จิตตกเมื่อไหร่เนี่ยหโว้ะ เดียวเลยเนี่ยควงทั้งดอกเบี้ยรครบก้นไมไ่เคยได้ยินไหมคุณโหลายก็ว่าบอกตีดำดำบ่อยเนี่เวลาล่มลงไปแล้วเนี่ยไม่มีอย่างเดียวนะหมดเลยละเลยละหน้า เ, ลเวลาล้มลงแล้วเขาเล่นงานได้แล้วควนจิตกลับไปนั่นเนี่ยปากไม่ได้ทำไม่ได้รับปากคนเป็นบุญไม่ได้ก่แก่ไม่ได้ไม่ได้สร้างบุญบุญใหม่กินตะบุญเก่าแล้วก็มาม า, มาได้พบชาติใหม่นี่ทําจะบากกลับ บาป ก, กรรมมัลอให้ผลแตมมันเนี่ยเข้าไม่ได้เพราะว่าบุญยังขฝางอยู่หมดบุญเมื่อไหรนะ่นั่นเนี่พอเข้าเด็ดตนหนะึนะนะ่งแั้วนั่นนะกรรมนึ่งอะที่เข้าได้กรรมสองกรรมสามกรรมสี่กรรมห้ลุมเลยนเนี้ยไม่มีหลังกว่าโดนแล้วไม่โดนทีเดียวคนเนี้ยโดนครั้งหนึ่งไม่โดนครั้งเวลาโดนแล้วเนะี่ยไม่โดนครั้งเขาเรียกว่าผีซ้ำซ้ำคอยรวมกันหมดเลยนะเนี่ยบานแตกแสแลกขาดผีวิตวุริลมล้มละลายมาผีทั้งฆ่าตัวตายกันทั้งหมดเลย มันไปหมดเลยเวลาเราาเราล้มล้มรบวตัวสมไมวาเอาในท่าลัดกันไปถามว่าแล้วทำไมคนทาความดีแล้วมันแบบเนี้ยรับบาปก็เป็นบุญรับสายใจไได้ทาไมมนถึงชาวดีเออเหมือนมันมันกินซแย่ให้มันไปตกต่ำมันได้แย่ก็เนี่ยคือว่าบาปกรรมทาไว้มันก็เลยว่ามันก็เลยมาให้ผลได้บาปกรรมที่ทำไว้แม้แต่ตัวเองทำกตัวนี้นะเนี่ยบางทีเนี่ยมันทาแบบไม่มีปัญญา ทำแบบไม่มีปัญญาบอกว่าให้ฐานให้ฐานโอ้โหให้ฐานมากาขนาดนี้ทําไมหมดเงินก็ต้องไปรู้เท่าไร่แล้วให้ฐานจนแทบจะหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยแต่ทําไมไมี่ยคุณเอาความดีช่วยคือให้ฐานแบบไม่มีปัญญาเออเหมือนนี้รยายาิ้เออนเดิมก็หลอกนะที่บอกว่าโอ้โหทํ า, ทาดีดีร้านจะได้ไไปสวรรค์จะรู้เจนี้ทำเท่านั้นร้าตอนนี้นรึาานนจะไปสวรรค์จะสูงก็ต้องอีกจะไปเฝ้าพระเจ้าก็ทับกรสปอร์ตไปเท่านั้นอีกจะไปสวรสรค์ก็ต้องทำซื้ออะไรน่ะ คอือค้อนเขาอะไรประตูสวรรค์นั่นเลยไปไปโอ้ไม่รู้กี่แสนนะเราไม่รู้กี่แสนกี่ล้านเนี่ยไอ่แบบนี้มันมีปัญ ญ, ญานะคิดว่าตัวเองทาดีแต่ไม่มีปัญญาโม่เดยวเขาหลอกเลยเดี๋ยวเขาหลอกเยอะๆอย่างเนี้แล้วใจผมคิดเอออย่างเนี้ยมันทําไมทําดีไม่ได้ดีคือทําดีแบบไม่มีปัญญาเดียวเขาหลอกไปสมุด น, นึกบัตรโกกลับไปบ้านก็นป็นทะเลาะกันที่เนี่ยที่ไปมุ่งเขาหุ่นสาวเมียไปปฏิบัติธรรมเราไปถามเลยเอ้ ออไงไปไหนวะเนี่ยทำไมลูกกล้ามแมนแมนมาในคานดินเนี่ยเองก็ขายดีด้วยเนี่ยไปแล้วอาจารย์ไปแล้วไปแล้ไปไหนอ่ะไปปฏิบัติธรรมกินแล้วขุนเขาขุนเขาเนี่ยกลับมาเตะซะรวนเป็นสีโค้งรวนเลยอโดนสา ม, มีเตะซะเขียวไปทั้งตัวเลยมาฟ้องอ้ามันไปเตะทุน่นเนี่ยไเตะเท่าไหรเนี่ยเตะก็เขียวเลยเนี่ยอาจารย์น้อยไปน้อยไป่เอออะไรสาวว่าเยอะกวก็กน้อยดีเตะเขาเป็นสีโค้งรวนเลยเนี้ยอาจารย์ก็เตะ สารสน์เนี่ยไปออกบัตรเครดิตซื้อลดวโวลโวใหม่ให้ฟ้แล้วตัวเองอะจ่ายเงินค่าบัตรเครดิตที่อาจารย์นี่น่าเตะไหมเออเตะน้อยจริ ง, ง <c oughs> ออจริงไหมสงสัยเออจริงจริงจรเนี่ยมันให้ทานแบบให้มีปัญญาตัวเองคิดว่ตัวเองอ่ะทําออทบุญให้ทานทำความดีแต่มันแบบไม่มีปัญญาเดี๋ยวเขาหลอกเลยมันก็เลยไม่ได้ดีนี่อย่า ง, งแต่ถ้าทําดีจริงๆริอะ เออทําความดีมันตลอดตั้งบาปบางเรืนึ่งทำควา ม, มันก็ต้องมีสะดุดบ้างเพราะว่ามันจะไปดีแล้วมันจะไปดีมากแล้วโหมันก็ห้อยทายํามาเดินะแล้วแผ่ไปท้ายเลยนะตั้งบาปบางเรื่บุญแล้วรักษาใจไม่ไแล้วแผ่ไม่ตาแผ่ไม่ตาแล้วก็ขึ้นมาจะสูงมากแลว้วเรื่อยเรื่อยเลือนตัวตําแหน่งมาถึงมากแล้วแต่ด้วยการทำมันที่ด้วยทําเนี่ยมันจะทําให้เต็มที่คือไม่เต็มที่ไง พอเมือเอเผลอเอเผลอจนเใจไปแล้วก็บอกว่ารักษาใจรักษาใจรักษาใจอะไรเหมือนมือเผลอเผลอคียนเาจะเอาต้แหงเลื่อนขั้นเลื่อนเลื่อนตําแหงเลยทีก็เีรียดอยู่นันแหลมันก็เลยเสียหายเพราะว่าไม่ไปรักษาไม่รักษาใจไม่ได้เพราะมีความโลภเพราะมีความโลภเขามามีกิเลสเขามาปุรักษาใจตรงนี้ได้เลยหลดเลยไม่ถือก็หลดนเราก็ว่ามือกุศลช่วยยังไม่ยังไมยังไม่ไม่เสียหายนะแต่กังวลก็คือว่าพวกเราเนี่ยมาทำศัลยกรรม คนที่ม า, า, า, า, ารเรียนธรรมแล้วก็อธิฐานใช่อธิษฐานร่ำบาตรสมเพลินรักษาขีนเาความดีตรงนี้แล้วตัวเองก็ปฏิบัติเก้ามากบุดบุดบุดบุดุดุดุดดเลยโอยโลกเจริญทำเป็นเจริญเพราะว่าทํางโลกเเคยสร้างบารมีมาเยอะมากทาทำมาปฏิบัติกขก้าหนาุดๆุ ด, ด, ด, ด, ดเพือจะกัเนอกว่าเลีชวนมันใหญ่เลยจะหนีไปแล้วจะหนีไปแล้วจะหนีไปแล้วอย่างเงี้ยเลกระโดดลั่นรีบมาทวง แต่เราก็ให้เ่รพอเรามีบุญเยอะให้ก็มากมากให้ให้มากมากให้แผลแผแผลวันละหลายคนให้ให้ไม่ใช่เฉพาะเจาการในเวรนะต้องทั้งหมดเลยพี่ยังเดี๋ยวไตายเกิดให้หมดเลยให้ให้มากๆให้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเขาบอเออเดี๋ยวไปชวนกันมาจะมีแล้วจะหนีแล้วจะไม่เดี๋ยวไหว้ตายเกิดอีกแล้วจะหาพี่ทวงนี้ไม่ได้เนี่ยคนที่เลยโดนมากเนี่ยมันสลับสับกบฏแบบนี้นี่ยเข้าใจ